ตามเรื่องที่แสดงในคำทีทางพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเคยเป็นแคว้นที่เจริญรุ่งเรืองมาในสมัยก่อนพุทธกาลคู่กับแคว้นโกศลที่อยู่ติดต่อกันคำว่ากาสีเข้าใจกันว่าเป็นชื่อของชาวอารยันเผ่าที่มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในที่นั้นหรือเป็นชื่อของกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นนั้นในอดีต คำว่าพารนาสีบางคนว่ามาจากคําว่าพารนากับอสีต่อกันคือที่ตรงนั้นมีแม่น้ําพรนาอยู่ทางเหนือแม่น้ําอสีอยู่ทางใต้แต่อีกแบบหนึ่งก็กล่าวว่าแม่น้ําคงคาและแม่น้ําชื่อว่าวรุนมาบรรจบกันและมีความเชื่อถือของคนว่ามีแม่น้ําอีกสายหนึ่งลอดมาข้างใต้ มาบรรจบกันที่ตรงนั้นแต่ที่เห็นกันอยู่ก็เป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันว่ารวมชื่อของแม่น้ำนี้เข้าก็เป็นพาราสีส่วนคำว่าอิสิ ป, ปัตนะแปลตามศัพท์ว่าที่เป็นที่ตกของฤาษีมีอธิบายสองอย่างอย่างหนึ่งมีอธิบายว่าได้มีพระปัิเจพุทธเจ้าจำนวนห้าร้อยรูปเข้ามาถึงที่ตรงนั้น ก็มานิพพานแล้วสรีระของท่านก็ตกลงมาที่ตรงนั้นพร้อมกันอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามีจำนวนห้าร้อยรูปคือจำนวนมากได้ออกมาจากป่าและมาพักอยู่ที่แห่งหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอิสิปตนะแปลว่าที่ตกของฤาษีหรือที่มาประชุมพักของฤาษีก็ได้ คำว่าฤศีแปลตามศัพท์ว่าผู้มีปกติสแสวงหาหมายความว่าผู้มีปกติสแสวงหาคุณวิเศษเดิมก็ใช้เป็นชื่อเรียกนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมก็ใช้คำนี้เป็นชื่อของผู้สแสวงธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยดังที่เรียกพระสาวกเป็นต้นว่าเป็นอิสิหรือ ฤีแต่ว่าใช้ในความหมายว่าแสวงธรรมะคำว่ามิฆถายะนั้นคำว่าทายะบางท่านแปลว่าป่ามิฆถายะแปลว่าป่าเนื้ออีกคำหนึ่งทาวะคือเป็นตัววอแปลว่าป่าเหมือนกันมิฆทาวะก็แปลว่าป่าเนื้ออีกอย่างหนึ่งทายะแปลว่าให้ มิคตายะก็แปลว่าที่เป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อคือเนื้อนกที่อยู่ในเขตนั้นก็ถูกห้ามไม่ให้ทําอันตรายคือเท่ากับเป็นที่ห่วงห้ามไม่ให้ทําอันตรายแก่สัตว์ป่าในที่นั้นความเจริญของแกลงกาสีในอดีตได้มีเล่าไว้ในชาดกเป็นอันมากในบางครั้งได้มีความเจริญในด้านศีลธรรมมากจนถึงมีเล่าไว้ในชาดกว่าครั้งหนึ่ง พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นกาสีมีพระนามว่าโพภมทัตพระนามนี้เป็นพระนามของกษัตริย์แห่งแคว้นนี้สืบต่อกันมาทุกๆองค์พระเจ้าโภมะทัตพระองค์นี้ได้ทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งได้ทรงตัดสินความของราษฎรด้วยความเที่ยงตรงทรงปกครองให้มีความสุขไม่เบียดเบียนกันและกันจนเป็นที่สรรเสริญกันทั่วไปพระองค์ได้เคยปลอมพระองค์ เสด็จไปเที่ยวสอดส่องดูสุขทุกข์ของราษฎรอยู่เสมอก็ไม่พบผู้ที่ตำหนิตีบเตียนพระองค์ได้เสด็จทรงราชรถมีสารถีขับเรื่อยไปจนถึงชายแดนในคราวหนึ่งและในรัฐโกศลซึ่งอยู่ติดกันพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นนั้นมีพระนามว่าพาลิกะก็ทรงปกครองราษฎรให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขคล้ายคลึงกันชอบป้อมพระองค์สเสด็จออกสอดส่องดูทุกสุขของราษฎร และในคราวหนึ่งก็เสด็จทรงราชรถมีนายสารถีขับออกไปจนถึงชายแดนรถของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์มาสวนกันในทางแค่แห่งหนึ่งสารถีของทั้งสองฝ่ายก็เกล่ยดจะให้อีกฝ่ายหนึ่งหลีกทางให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมฉะนั้นก็ไต่ถามกันถึงพระราชประวัติต่างๆปรากฏว่ามีพระชนเท่ากันมีกําลังรีพล ทรัพ ส, สมบัติก็เท่าเทียมกันไม่ได้กว่ากันก็ยังไม่มีเหตุที่จะอ้างให้อีกฝ่ายหนึ่งหลีกทางให้อีกฝ่ายหนึ่ได้คราวนี้จึงได้ถามกันขั้นถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์นายสารถีของพระเจ้าพลิกะซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแวลนโกลสนตอบว่าพระเจ้าพลิกะพระราชาของตนนั้นทรงโตอง ต, ตอบหนักแก่คนที่หนักมาทรงโตตอบอ่อนแก่คนที่อ่อนมา ทรงชนะความดีด้วยความดีแต่เมื่อชั่วมาก็ทรงเอาชนะความชั่วพระเจ้าแผ่นดินของตนเป็นเช่นนี้ฝ่ายสารทีของพระเจ้าโรมันทัตกรุงกาสีก็ตอบว่าพระเจ้าแผ่นดินของตนนั้นทรงเอาชนะคนโกรธด้วยความให้โกรวธทรงเอาชนะคนชั่วหรือความชั่วด้วยความดีทรงเอาชนะคนตรหนีหรือความตรหนีด้วยการบริจาคพระเจ้าแผ่นดินของตน ได้มีธรรมะเช่นนี้เมื่อได้ฟังดังนั้นฝ่ายพระเจ้าพาลิกะแห่งกรุงโกสนเห็นว่าธรรมะของพระเจ้าโรมททัพสูงกว่าจึงได้ยอมหลีกทางให้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแสดงการให้อภัยแก่เนื้อคือมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้าโรมัททัพซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแวลนกาสีพระองค์หนึ่งได้โปรดล่าเนื้อและสวยเนื้อสัตว์เป็นอาจินได้เกณฑ์ราชดอน ทางเด็ดในการล่าเนื้อจนราษฎรพากัน ร, ระอาเพราะต้องลาถิ้งการงานจึงได้คิดที่จะหาที่ซักแห่งหนึ่งจับล้อมไว้และต้อนเนื้อเข้ามารักษาไว้ณที่นั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินต้องการจะล่าเนื้อสวยเนื้อก็ให้มาล่าเอาไปพวกตนก็จะไม่ต้องเสียเวลาทํามาหากินจึงได้พร้อมกันไปต้อนเอาเนื้อมารวมไว้ในที่แห่งหนึ่งเป็นจํานวนมาก เนื้อที่ถูกต้นมานั้นได้มีอยู่สองหมู่หัวหน้าของเนื้อหมู่หนึ่งชื่อว่านิโครธอีกหมู่หนึ่งชื่อว่าสาขะเนื้อทั้งสองนี้เป็นเนื้อที่มีรูปงามพระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้เสด็จมาทอดพระเนตรก็พระราชทานอภัยให้โดยเฉพาะไม่ให้ใครทําอันตรายเมื่อต้อนเนื้อมารวมไว้ดังนั้นแล้วบางคราวพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาเองบางคราว ก็ให้พ่อครัวมาจัด ก, การประหารไปพรุงเป็นอาหารประจําเนื้อที่ถูกเขาไล่จับฆ่าก็พายกันวิ่งหนีจะจับฆ่าได้สักตัวหนึ่งก็บาดเจ็บกันหลายตัวเพราะฉะนั้นหัวหน้าทั้งสองก็หารือกันว่าไหนไหนก็จะต้องตายด้วยกันแล้วจัดวาระไปรอรับความตายอยู่ละตัวเมื่อถึงวาระของเนื้อตัวไหนเนื้อตัวนั้นก็ไปรออยู่ในที่ที่เขาจับประหาร หมูเนื้อทั้งปวงก็ตกลงกันและก็ผลัดวาระกันไปให้เขาจับฆ่าคราวนี้ก็ถึงวาระของแม่เนื้อตัวหนึ่งซึ่งมีคันแก่เป็นบริวารของเนื้อชื่อว่าสาขะแม่เนื้อตัวนั้นไปหาหัวหน้าขอร้องว่าให้ตกลูกเสียก่อนเมื่อตกลูกแล้วก็จะเข้ารับวาระฝ่ายหัวหน้าก็ไม่ยอมเพราะไม่อาจจะจัดให้ใครไปแทนได้ เนื้อท้องแก่นั้นก็ไปหาหัวหน้าเนื้ออีกฝูงหนึ่งซึ่งชื่อว่านิโครธหัวหน้าเนื้อชื่อว่านิโครธนั้นสงสารจึงรับภาระที่จะช่วยได้เอาตัวเองไปรอรับวาระฝ่ายพ่อครัวเข้ามาเพื่อจะฆ่าเนื้อเมื่อมาเห็นเนื้อหัวหน้าซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้สั่งห้ามไว้แล้วก็ไม่กล้าทําอันตรายไปทูลให้ทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาทรงถามสอบสวนได้ความแล้ว ทรงมีพระราชดมริทว่าแม้แต่สับเดรฉานก็ยังมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาขณะนมนุษย์จริงไม่มีจึงพระราชาทานอภัยให้แก่หมู่เนื้อทั้งหลายห้าไม่ให้ใครทำอันตรายทั่วๆ่วไปทั้งหมดเรื่องชาดกโดยมากในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเล่าในแวลงกาสีนี้เกือบทั้งนั้นอันแสดงว่าเป็นแวลงที่เคยรุ่งเรืองมามากแต่ก็หมายความว่า รุ่งเรืองมามากก่อนสมัยพุทธกาลคือก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นนั้นแหวนกาสีนี้ปรากฏว่าได้ด้อยอำนาจลงไปจนต้องไปรวมอยู่กับแหวนโกศลซึ่งเป็นแหวนใหญ่อยู่ในเวลานั้นแต่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นแหวนกาสีนี้จะเป็นแควนอิสระหรืออย่างไรไม่ปรากฏชัด แต่ก็มีเรื่องเกี่ยวเนื่องอยู่กับแคว้นโคศนและมะคธเพราะฉะนั้นก็ควรจะทราบอีกสองแคว้นนั้นโดยสังเขปก่อนแคว้นมคธหรือแคว้นมคธรัตน์นั้นในสมัยพุทธกาลพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพินพิสารราชธานีชื่อว่าราชกะหะหรือราชคฤึดส่วนแคว้นโคศลพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าประสิทธิราชธานีชื่อว่า สาวัถีพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชเครดแห่งมกุฏรัฐกับพระเจ้าปเสณทิกรุงสาวัถีแห่งโกศลรัฐต่างก็เป็นพระสวามีของพระคณิษฐาพระคินีของกันและกันคือพระคณิษขาภรคินีของพระเจ้าปเสณทิไปอภิเสกเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระคณิษฐาพระคินีของพระเจ้าพิมพิสารก็ไปอภิเสกเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปเสณทิ เมื่อพระราชบิดาของพระเจ้าประสิธิ์ทีอันพระนามว่าพระเจ้ามหาโกศลหรือมหาประสิทธิทรงจัดอภิเสกพระราชธิดาซึ่งเป็นคณิถะพคินีของพระเจ้าประสิทธิในปัจจุบันนั้นแก่พระเจ้าพิมพิสารก็ได้พระราชทานกาสิษขามให้แก่พระราชธิดาเพื่อเป็นข้าเครื่องประดับทำนุบำรุงพระราชธิดาของพระองค์ผู้ปกครองของแกรนกาสีไม่ปรากฏชัด พระในตำนานพระพุทธศาสนาจะมีเล่าไว้ก็ในเมื่อมาเกี่ยวพันกับเรื่องทางาศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีเกี่ยวพันกันก็นกไม่เล่าแต่ว่านิกล่าวไว้ในอัจฉกถาพระวินัยเล่มหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินของกาสีเป็นพระพาดาร่วมพระราชบิดาของพระเจ้าประเสนทิแห่งแคว้นโกศลในสมัยนั้นและในบาลีวินัยแห่งหนึ่งก็มีเล่าถึงว่าพระเจ้ากาสี ให้ส่งผ้านหน้าดีไปพระราชทานแก่หมอชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นผู้มีอุปการะแก่พระองค์ผ้าแกรนกาสีนี้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเป็นของดีมีราคามากส่วนการศาสนาในแกรนกาสีโดยเฉพาะในพารานสีซึ่งเป็นเมืองหลุมในสมัยพระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่รวมของนทติศาสนาเป็นอันมากดังที่กล่าวว่า มีศาสดาเจ้ารัติสั่งสอนอยู่เป็นกบใหญ่หญๆ6กกและที่มีผู้นับถือมากตามหลักฐานที่แสดงกันมาก็คือศาสนาไชยนะกับศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนาในแหล่งที่มีศาสนาต่างๆกำลังรุ่งเรืองอยู่อริยสัจสีคราวนี้จะแสดงความของปฐ ม, มเทศนาอธิบายออกไปโดยสังเขป อรยิยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์คำว่าทุกข์แปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่ทนอยู่ยากมีความหมายเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งหมายถึงทุกๆสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแปรปรวนเรื่อยไปจนถึงดับหรือแตกสลายเรียกง่ายๆว่าหมายถึงทุกๆสิ่งที่มีเกิดมีดับสิ่งใดมีเกิดขึ้น ก็ต้องดับไปสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นทุกขั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าทนอยู่ยากคือทนอยู่ไม่ได้ถ้าทนอยู่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไม่ดับไม่แตกสลายแต่เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับต้องแตกสลายจึงได้ชื่อว่าเป็นทุกข์อันแปลว่าทนอยู่ยากหมายความว่าทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรรวนเปลี่ยนแปลงไปนี้เป็นทุกข์ ที่เป็นสภาพธรรมดาทุกๆสิ่งในโลกตลอดถึงตัวโลกเองก็ต้องเป็นเช่นนี้เพราะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่แตกสลายต่างกันแต่ว่าจะแตกสลายไปช้าหรือเร็วเท่านั้นในพระสู่ท่านชี้เข้ามาให้กำหนดรู้โดยเฉพาะที่กายว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ก็มุ่งที่จะให้รู้ถึงทุกข์ ที่เป็นสภาพธรรมดาดังกล่าวนั้นถ้าจะอธิบายอย่างอื่นก็พอได้แต่ไม่ชัดเช่นในบางขั้งอธิบายว่าเมื่อเกิดนั้นทุกขหนักหนาแต่ความจริงทุกๆุกคนก็ไม่รู้ว่าทุกขอย่างไรเวลาเกิดออกมามารู้เอาเมื่อโตขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจะว่าไปเป็นทุกข์ก็ไม่รู้แก่นี่ก็เหมือนกันถ้ามุ่งถึงว่าร่างกายแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในขั้นเจริญขึ้นซึ่งเรียกว่าแก่ เหมือนกันคือว่าแก่ขึ้นก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นทุกข์อะไรแต่ครั้นอายุมากเข้าเป็นแก่ลงร่างกายเสื่อมลงจึงค่อยรู้สึกขึ้นเมื่อเวลาจะตายว่าตายเป็นทุกข์ความจริงทุ ก, ก่อนตายเมื่อจะตายจริงๆไม่มีใครรู้ว่าเป็นทุกข์อย่างไรอย่างที่เรียกว่ากลัวตายนั้นความจริงกลัวก่อนตายถ้ายังกลัวตายอยู่ก็ยังไม่ตาย เมื่อจะตายจริงแล้วไม่กลัวคือว่าไม่รู้สึกที่จะกลัวแล้วและพร้อมกับ น, นั้นก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วแต่ท่านก็อธิบายให้เห็นว่าเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ ต, ต่างๆแต่ก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นเห็นว่าจะต้องอธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นทุกข์ก็หมายถึงว่าเป็นสภาพธรรมดาที่จะต้องแปรพรวนเปลี่ยนแปลงไปทนอยู่คงที่ไม่ได้คือว่าทุกๆสิ่ง ตลอดถึงกายของเราเมื่อเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนถึงลงท้ายก็ดับทุกๆสิ่งในโลกตลอดถึงโลกก็เป็นอย่างนี้เป็นทุกข์ที่เป็นสภาพธรรมดานี้เป็นความหมายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความหมายยืนแต่คนเราเองไปมีตันหาคือความดิ้นรนทะยานอยากและมีอุปทานคือความยึดถือในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเพราะฉะนั้น ยิ่งได้เกิดความทุกข์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความทุกข์ใจต่างๆดังที่ท่านแสดงไว้ว่าโกภริเทวทุกโทมนัสัะอุปายาสาปิทุกขาเป็นต้นถ้าบุคคลไม่มีตัณหาอุปทานอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกก็ไม่เห็นว่าจะต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกตรอดจนถึงกายของเราเอง ตลอดจนถึงโลกเองก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาคือว่ามีเกิดมีแปรรวนมีดับแต่เมื่อไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงความทุกข์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากตัญหาได้แก่ความทุกข์ใจต่างๆประกอบกันไปด้วยแล้วก็ชี้ว่าปัญหานี้ที่เป็นเหตุให้เกิดอุปทานคือความยึดถือ ก็เป ja. ็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุก hmm? ข <t od> <Ba> ์เป็นอริยสัจข้อที่สองเมื่อดับตัณหาดับความยึดถือได้ก็เป็นความหนับทุกข์เป็นอริยสัจข้อทสามอะไรจะเป็นอะไรใจเราก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเทียบดูเหมือนอย่างเดียวนี้เองถ้าบุคคลมีตัณหาอุปทานในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอะไรขึ้นในทางที่ไม่ชอบไม่ปรารถนา จึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นถ้าไม่มีตัณหาอุปทานในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นอะไรจะไม่เป็นทุกข์อะไรคราวนี้พิจารณาดูใกล้ๆเข้ามาจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหมดตัณหาอุปทานเสียทุกๆสิ่งแล้วทุกก็ไม่มีทุกๆสิ่งแต่ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดามีเกิดมีแปรปรวนมีดับมักนั้นก็หมายความว่า การปฏิบัติอบรมจิตและอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเห็นจนเป็นเหตุให้ละตัณหาอุปทานเสียได้นี่แหละเป็นใจความของมัทมีองแปดซึ่งเป็นอรยิยสัจข้อที่สี่ความรู้ความเห็นนั้นต้องเป็นความรู้ที่ละได้ด้วยไม่ใช่รู้แล้วละไม่ได้ต้องเป็นความรู้ที่ทําได้ไม่ใช่รู้แล้วทําไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะของความรู้ ที่มีวนรอบส ม, มีอาการส2องในปฐมเทศนาที่ได้ย่อความมาแสดงแล้วมีอธิบายโดยสังเกตบางข้อดังนี้รานี้จะอธิบายยานคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในอรยิยสั์ที่ว่ามีวนสา ม, มีอาการ12ในเบื้องต้นควรกำหนดชื่อยานไว้สาก่อนคือ 1. สัตตยาน ความรู้ในสัจจะคือจริง 2. กิจจาีารความรู้ในกิจหน้าที่ที่พึงทํสามกัตติยานความรู้ในการทํากิจเสร็จการที่จะทําความเข้าใจญาณในอริยสัจก็ควรจะทําความเข้าใจญาณคือความรู้ในเรื่องสามัญเป็นการเทียบเทียงเมื่อทุกๆคนประสบเรื่องที่เป็นหน้าที่การงานของตนเรื่องในครอบครัว เรื่องอื่นๆจากนี้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นจะต้องรู้ความจริงก่อนที่เรื่องกันเป็นสาหมันว่าพ้อเท็จริงเมื่อรู้ความจริงถูกต้องแล้วจึงรู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนั้นเมื่อรู้ดังนี้แล้วจึงลงมือจัดทำจนสาเร็จรู้ความจริงเบื้องต้นเทียบได้กับสัจญานรู้ว่าต้องทำอย่างไรเทียไบจจำำยได้กับกิจญานรู้ว่าทาสาเร็จแล้วเทียบได้กับกัตตยาน อีกอย่างหนึ่งเทียบในการรักษาโรคเบื้องต้นก็จะต้องรู้ว่าเป็นโรคอะไรนี้เทียบได้กับสัตยานจะต้องรู้ว่าจะต้องรักษาอย่างไรนี้เทียบได้กับกิจจยานรู้ว่ารักษาโรคให้หายได้แล้วนี้เทียบได้กับกัตยานฉะนั้นความรู้สามัญในเรื่องตัทั่วไปของคนก็จะต้องมีลักษณะทั้งสามนี้คราวนี้ว่าถึงความรู้ในอริยสัจ อริยสัตว์นั้นมีสีข้อดังที่แสดงแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตัวของอริยสัตว์ทั้งสีนั้นด้วยคือเมือ่อทรงแสดงว่าทุกก็ทรงแสดงว่าอะไรเป็นทุกขเมือ่อทรงแสดงว่าสมุ ท, ทยัยได้ทรงชี้ด้วยว่าอะไรเป็นสมุ ท, ทยัยเมือ่อทรงแสดงว่านิโรธความดับทุกขทรงชี้ด้วยว่าดับอะไรเมือ่อทรงแสดงมรรคก็ทรงชี้ข้อปฏิบัติไว้ด้วยครบถ้วน ฉะนั้นในเบื้องต้นที่เรียกว่าจะรู้อริยสัจก็ต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ทรงแสดงไว้นั้นเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ทรงแสดงว่าความเกิดแก่ตายเป็นต้นเป็นทุกข์ก็ความเกิดแก่ตายนั้นเป็นทุกข์จริงหรือไม่ทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงหรือไม่ทรงแสดงว่าดับตัณหาเสีย เป็นความดับทุกข์ก็เป็นความดับทุกข์จริงหรือไม่ทรงแสดงว่าทางมีองแบบเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์จริงหรือไม่เบื้องต้นก็จะต้องรู้ว่าจริงหรือไม่ดังกล่าวนี้ก่อนถ้ายังไม่เกิดความรู้ของตัวเองก็ยังไม่ชื่อว่ารู้ดังเช่นรู้ตามแบบหรือตามที่ได้ยินอ่านเรื่องอริยสัจฟังเรื่องอริยสัจก็คงรู้เหมือนเหมือนกันทุกคน แล้วก็สวนกันอยู่เป็นประจำว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกข า, ร า, กขามารนามปิทุกขันรู้ตามสัญญาดังนี้ยังไม่ชื่อว่ว้ญาติต้องรู้สึกเห็นจริงขึ้นด้วยตัวเองเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นแท้แน่นอนลงไปอย่างนั้นโดยไม่นึกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ต้องนึกว่าใครว่าแต่ว่าตนเองลงความเห็นจริงลงไปอย่างนั้น และการลงความเห็นนั้นก็ไม่ใช่ว่าลงความเห็นข้างนอกแต่ว่าลงความเห็นเข้ามาที่ตัวเราเองเพราะอริยสัจทั้งสี่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ตัวของเราเองคือตัวของทุกๆคนดังทรงแสดงว่านี้ทุกคำนี้ก็หมายถึงชี้เข้ามาข้างในทุก็ยังคงอยู่ที่ตัวของเราเองเกิดแก่ตายก็อยู่ที่ตัวของเราเอง ทุกใจต่างๆต่อจากนั้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองรู้เข้ามาที่ตัวของเราเองเหล่านี้แหละว่าเป็นทุกข์จริงสมุทัยก็เหมือนกันรู้เข้ามาที่ตัวของเราเองว่าตัณหาที่จิตใจของตนเองนั้นเป็นตัวสมุทัยนิโรธก็เหมือนกันรู้เข้ามาถึงความดับตัณหาของตนเองว่าเป็นความดับทุกข์มรรคก็เหมือนกันรู้เข้ามาที่ข้อปฏิบัติดี และปฏิบัติชอบต่างๆที่ตัวเราเองว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองมีความเห็นชัดลงไปด้วยตนเองเห็นจริงแท้แน่นอนลงไปเองว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์นี้เป็นความดับทุกข์นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่าสัจญาณรู้ในความจริงซึ่งต้องมีเป็นประการแรก เมื่อมีความรู้นี้แล้วก็เป็นอันว่ารู้ลักษณะหน้าตาของอริยสัตว์ทั้งสีน่นี้รู้สภาพของอริยสัตว์ทั้งสีน่นี้เหมือนอย่างมีคนมาสี่คนในเบื้องต้นเมื่อสังเกตจนรู้ว่าคนทั้งสีน่นี้มีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรมีความสามารถเป็นอย่างไรแปลว่ารู้จักคนทั้งสีน่นี้ดีว่าเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับฟัง สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยังสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ในตอนต่อไป